กับสนความจริงกับสนความจริงว่าคำมากยมสละทุกสิ่งวันนี้ก็เป็นวันตบนาของภันษาซึ่งพวกเราทุกคนก็ามาประชุมกันซึ่งนี้เราทุกคนเข้ามาจาก สถานที่ต่างๆมาอยู่ร่วมกันสี่ห้าเดือนบ้างหรือมากกว่า น, นั้นบ้างปกติแล้วจำพรรษาก็สามเดือนแต่นี้มันส่วนใหญ่เราก็มาอยู่กันก่อนมาร่วมกันปฏิบัติธรรมไม่ถึงวันภรวนาวนาวรรษาเนี่ย เราก็ได้กล่าวคำภาวนาซึ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้ซึ่งมีใจความว่าท่านทั้งหลายประผมขอภาวนาต่อพวกท่านทั้งหลายว่าด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ฟังก็ดีหรือด้วยสงสัยก็ดีขออาศัยความกรุณาให้ท่านช่วยตักเตือน กับผมด้วยถ้าผมเห็นก็จัตักเตือนท่านเหมือนกันอันนี้ก็เราก็ได้ปานาซึ่งกันและกันไม่ถึงว่าเมื่อเสร็จฤ ด, ดูกันออกภรษาเสร็จการกระตินจกักเกีฑยจะเบิกสารเรียบร้อยแล้วบางกีหมู่คณะเราก็แยกย้ายกันไปมันเป็นภาวนาตามสถานที่ต่าง เมื่อเราได้พบเห็นกันเราก็จะให้โอกาสซึ่งกันและกันในการตัดเตือนแนะนาในสิ่งที่ได้เห็นว่าเราทําผิดหรือได้ฟังว่าเราทําไม่ถูกต้องหเลยด้วยสงสัยเราก็อาศัยความโลนาให้โอกาสซึ่งกันและกันเจะไม่เสืองโกรธเคืองแค้นต่อกันและกันนั่นคืนความหมายของการภาวนา นี่เป็นการที่จ ะ, จะเจริลยเมตตาจิตซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นระยะประเพณีสืบต่อสั ก, กันมาเมื่อเราทุกพวกเราทุกคนมาปฏิบัติร่วมกันช่วงระยะเข้าพรราาก็โดยปกติแล้วย่างน้อยกักสีห้าเดือนที่อยู่ร่วมกันนี่เราก็ทำข้อวัดปฏิบัติหรือที่ดงขวัดเนี่ย นั่นเป็นเครื่องขูดเกากิเลสตามแต่ที่จะถูกจดิตนิสยัยของแต่และบุคคลเพราะฉะนั้นเราทุกคนซึ่งมีความตั้งใจมาปฏิบัติทมการออกพรรษานี้ก็เป็นเตรียมสิ่งที่สมมุติว่าถึงวันออกพรรษาแต่การปฏิบัติธรรมของลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ความจริงนั้นก็ไปบัตไปจนตลอดชีวิต หรือจนถึงกระทั่งทําให้แจ้งซึ่งปานิพานเป็นที่สุดอันนี้คือหลักชยัยเป็นธงชัยของพรลานเพราะฉะนั้นให้มีความมุ่งหวังในการประพฤติปัติธรรมไม่คายความเพียรในการที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราอย่างน้อยที่สุดการประพฤติปัติธรรมนั้นต้องได้รู้ทำเห็นธรรมในเบื้องต้น คือเป็นพระโสดาบันผลตามสมมุติจึงจะที่พอที่จะรักษาจิจจตใจเองได้การที่จะประพฤติบัติธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมหรือจิตใ จ, จเป็นธรรมนั้นก็ดำเนินในศีลในสมาธิในปัญญาอันเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือทำให้แกล้งเป็นพันิพานเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนซึ่ง ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ซึ่งแนะนําสืบต่อกันมานี้เราก็ได้ยินได้ฟังพอสมควรเพราะฉะนั้นให้ขวนขวายในการปฏิบัติธรรมซึ่งท่านให้พิจารณาร่างกา ย, ยาเรานี้แหละให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ให้มีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในจิตใจของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน ของอารมณ์ภายในจิตใ จ, จ เ, เราอันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงถ้าเราพิจารณาเช่นนี้นอยู่เสมอๆก็จะทําให้จิตของเรานั้นเห็นความจริงขึ้นมาว่าร่างกายเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยมเป็นของไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จใจเรานั้นก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยแค้เจ็บต่อหมอแล้นอภัยทั้งหลายทั้งปวงให้เราต้องทําจิตของเรานั้นให้ถึงพร้อม เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งกลัวมีสติมีปัญญารู้เท่าทันตามธรรมชาติของความจริงว่าร่างกายของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกสลายเป็นที่ยึดถให้เราก็ไม่บาดไม่สะดุ้งกลัวเพราะสิ่งต่างนี้เป็นธรรมชาติเป็นปกติเป็นธรรมดายอยู่ให้เราต้องพิจารณาให้จิตเข้าไปเห็นความจริง เรารู้ความจริงขึ้นมาภายในใจเงเราเนี่ยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นท่านถึงให้ปฏิบัติตามธรรมวินัยเป็นสติวินัยแล้วก็ขวนขวายในการปฏิบัติธรรมทําสมาธิให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเงเราให้จิตของเรานี้เป็นหนึ่งเป็นเอกตาลงเลขาจิตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏจจบัติธรรมมีสติที่จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรา ถ้าเรามีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจงเราอยู่เสมอทุกๆขณะจิตเราก็เห็นอารมณ์เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราถึงแม้ว่าเรายังทําลายหรือละ ก, กิเลสออกไปจา ก, ก จ, จิตใจงเราไม่ได้ก็ตามแต่เรามีสติย้อนกลับมาดูใจเราเราก็จะเห็นอาการหรือกระบวนการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภาในใ จ, จงเรานี้แล้วเราก็พยายามที่จะหาวิบายทําลายหรือ ระวา ง, างกิจจเลสออกไปจากจิตใจเราได้ตีเล็กตีน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสมาธิเป็นท่ามกลางเราก็ใส่สติปัญญาที่จะพิจารณาโดยแยกคายพิจารณาร่างกายเรานี่แหละยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นอาการสามสิสองหลือสุภกรรมฐานหรือท่าทั้งสี่พิจารณาแยกแยะจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจึงจะสามารถที่จะ ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้แม้ในเบื้องต้นจิตก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยแค่เจ็ดต่อมลทินภัยสั่งหลายแล้วรู้จักว่าเป็นธรรมดาของร่างกายเราที่ต้องแตกสลายไปตามธรรมชาติแต่จิตนี้ก็สายกรรมที่ทำไว้เป็นผู้ให้ผลเมื่อจีเห็นความจริงเช่นนั้นความโลค ก, ก็บันเาวางไปความโกรธก็บปนเาวางไปความหลงในกายตนก็บปนเาวางไป เราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาลมไปในจิตใจเราซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบหรืออย่างการอย่างละเอียดพิจารณาไปทุกๆวันก็จะทําให้จิตของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการประวฤติบัติธรรมพวกเราทุกคนก็รู้จักพ้นทางแห่งการประพฤติบัติธรรมกันพอสมควรแต่เรื่องการประพฤติบัตินั้น ท, ทุกคนต้องเป็นที่พึ่งของตอนเองตอนเป็นที่พึ่งของตอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัพมพุเจ้าหรือพระอนัสสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางหรือผู้บอกทางเท่านั้นเราทุกคนจะต้องพยายามตั้งใจประพฤติบัติธรรมหรือพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆวันถึงแม้ว่กากาลเวลาจะผ่านพ้นไปเรามาจรพรราร่วมกันสี่ห้เดือนอย่างน้อยก็ต้องได้อะไรขึ้นมาบ้าง อย่างน้อยก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ไม่ดีเราจะพยายามละเวน้นสิ่งที่ดีเราจะพยายามบำเพ็ญให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีหรือกระทาแต่สิ่งที่ดีทุกๆวันใจ เ, เราก็จะมีความสงบเยืเย็นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงอาศัย หลักธรรมค ำ, ำสอนของพระพุโทโ์นั้นเป็นเครื่องดำเนินหรือปฏิปทาของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์เป็นเครื่องดำเนินที่เราทุกคนควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างในการประพฤติปฏิบัติไม่ท้อถอยแม้จะาภาษาพระธรรมเราทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติบนเป็นภาวนาทุกๆวันเป็นจงกรมนั่งสมาธิไม่ท้อถอยในการที่จะทําลายกิเลสหรือละ ก, กิเลสให้สิ้นไปจากใจร้อยได้ กิเลสอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจเราก็พยายามที่จะหาทางละหาทางทําลายทุกๆวันก็จะทําให้กิเลสต่างๆมันเบาบางไปทีเล็กทีน้อยความสงบความสุขก็เกิดขึ้นไปในจิตใจงเราเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นมันพึงประพฤติปฏิให้รู้ทมเห็นธรรมในเบื้องต้นคือพระโสดาบันผลพระโสดาบันผลนั้นก็ไม่มีอะไรบ้างมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายเรานี้แหละให้เห็น ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้จนจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนปล่อยวางเพียงส่วนเดียวเท่านั้นแหละใจก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงไม่มีชาติที่แปลกเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามตั้งใจในการประพฤติปฏิบัตริรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอยึดปีเป็เพียงเท่านี้